ทุกวันนี้คนมีความทุกข์เยอะบ้านเกิดนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคนก็ยืนนนทุกวันทุกวันนะหาความสงบสุขในชีวิตใจไม่ได้ถ้าเราได้สุบสานธรรมะแล้วยชีวิตเนี่ยจะมีความสงบสุขขึ้นมาพวกเราต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะัดเราเกิดมาในแผ่นดินที่ธรรมะยังดำรงอยู่ เป็นคนที่ไปที่วัดหลวงพ่อเนี่ยมาจากหลายประเทศเลยมีฝลังก็มีคนจีนคนเกาหลีคนอนีรพวกนี้น่นนาสงสารเขาอยากได้ทรรมาแต่วพายากที่เขาระไนก็ฟังไปรู้เรื่องพวกเราฟังรู้เรื่องแต่เราไม่ค่อยฟังยังมีโอกาสแล้วเดี๋ยวที่โอกาสให้สูตรหลั่ พยายามศึกษาธรรมะเอาไว้สนใจได้ศึกษาธรรมะแนละ้วชีวิเตเกิดเปี่ยแนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะมีความสุขมีความสงบในชีวิตอย่างรวดเร็วเนะี่ยไม่ใช่จะปฏิบัติธรรมนะต้องใช้เวลาหลายๆปีหรือภาวนาในชาตินี้แล้วชาติหน้าก็จเกิดผลอนะไรนี่เกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะของมหาบุรุษ เป็นธรรมะของผู้ยิ่งใหญ่มีองค์ระกอบหลายองค์ประกอบขัสุดท้ายนะั้นต้องไม่เดินช้าทหารภาวนาแล้วก็เดินช้าหลายปีก็เหมือนเดินสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบตลาดชีวิตมีอยู่แค่เด็กแสดงว่าทําไม่ถูกหรอกถ้าเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็วเห็นเดือนสองเดือนก็เห็นนะ เป็นคนไปรเรียที่หลวงพ่อทุกวันเนยอะเยอะเป็นทุกทีทุกทีเพราเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้อย่างรวเร็วเลยเปลี่ยนแปลงยังไงเคยทุกมากกนะ็ทุกน้อยลงเคยทุกนานก็ทุกสั้นลงกิเลสแต่เดิมเราเคยไม่เห็นเลยนะมองไเห็นเราคิดว่าเราเป็นคนดีคนดีเศษคนอื่นเขาไม่ดีเราเป็นคนดี มหาธาวนารู้ทันใจของเกเรเข้าไปจริงๆเราจะเห็นว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดไปเะยอะเลยหาคนร้ายเข้าเราหายากในขณเราเห็นทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนั้นกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำใจไม่ได้จิต ใ, ใจจะมีความสง บ, บสบุขขึ้นมาจิต ใ, ใจที่เราร้อนมีความทุกข์ทุรนทุรายขึ้ น, ๆๆนมาเข้าๆากิเลสมันครอบงำใจได้เพีนพวกเราบุญก็ล่า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 เปิดหน้าที่ที่จะเรียนเป็นหน้าที่ของเราเองเมื่อเรียนแล้วเราจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรียนได้เฉพาะตัวสอนแทนกันไม่ได้นั้นบอกแทนกันรู้แทนกันไม่ได้ใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้โนรุเทนเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรียนแค่ผู้บอกทา่านไม่ต้องอยา่าไปคาดบางนะอยา่าไปเสียห่วเสียใจด้วยว่าเราเกิดไม่ทนันโน ร, รุเทนเจ้าเราเลยไม่ได้ธรรมะไม่ใช่ท่านบอกทางไว้ให้ทาง ที่จะมาเรียนรู้ธรมะนะคือก็อคือทางที่จะมาเรียนรู้กายและใจของตัวเเองทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เเพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีแต่ตัวทุกมีแต่ตทุกทั้งนั้นเลยพอเบื่อแล้วก็จะคลายความยึดถือออกไปไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเขาคลายความยึดถือใจนะ ยึดใจยึดใจจิตก็ุดคนท่านติณสอนีบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อนายก็เบื่อน่ายจึงครายกำหนัดจึงความรักใต้ผูกันยึจืดต้องครายกหนัดจึงหลุดพ้นไม่ยึดใจไม่ยึดใจกายเป็ทุกข์นะใจทุกนะแต่ผู้ปฏิบัติเนินพ้นคนจับทุกไม่ยึดมันควนมทุกมีอยู่ในโลกแต่ไม่มีเจ้าของภาวนาไปถึงจุดเดียเราจะเห็นเลย ความทุกข์มันมีอยู่โลกมีทุกโลกนี้อย่างไงก็ต้องทุกข์ไม่ใช่ภาหนาให้โลกนี้ตายสุดสุดนะต้องใจผิดไม่ใช่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายที่มีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นหมดเลยนะสุขรสนิยมรวยเรื่องต่างๆอะไนอะไรเรื่องไรโลกนี้อย่างไงก็ทุกข์เราคิดอยู่ตั้งแต่เด็กๆมาอ่านตอนทุกข์มาเท่าไหรนะ่แล้จนเราถึงวันนี้ ความสุขที่เห็นว่ามีว่ามีอยู่นะมาแป๊เดี๋ยวก็หายเลความสุขเป็นแค่ภาพหลดตาความทุกข์เป็นของจริงอยโรงพยาบาลเลยที่แสดงความทุกข์ให้เราเห็นนะความทุกข์เป็นของจริงเราภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าให้ความทุกข์หายไปเราภาวนาจนกระทั่งวันหนึ่งไม่ยึดือกายไม่ยึดถือใจกายและใจกระทุกขของมันแล้วแหละแต่เราไม่ยึดถือเราไม่ทุกข์นะถ้าถึงบอกว่าถ้าภาวนาไปแล้วเนี่ย ควาทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์นันไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นทุกข์นะทุกข์มีร่างกายยัไงก็ทุกข์ร่างกายยัไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ไม่คนหรอกแต่แต сама, ่ว่าเราภาวนาแล้วพรร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายใจเราไปทุกข์ด้วย้าเราเห็นควาจิงของกายแล้วเราไม่ยึดถิดในกายจิตใจเราเดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหังนะมีความหวังเข้ามาแล้วก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้าง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 กุศลก็ชั่วเปลาอย่างบา ง, งครั้งแจ่องเราเป็นบุญเป็นกุศลอกุศลก็ชัวว่วเปล่ากรปวดหลง ก, ก็ชั่วเปล่มีใครโลคตลอดวันตลอดคืนไหมไม่มีโรคก็โกรคเป็นชัวว่วเปล่าแล้วก็หายไปปวดก็ปวดชั่วเปล่าแล้วหายไ ป, ลยปยลลหลงกแบบ็หลงแง่แง่งนั้นในโลกนี้มันมีแต่ของโชั่วเปลาดงั้นเวลาที่ใจเราฉลาดขึ้นมามันเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นใน จ, จิตใจไี่เป็นแค่ของชั่วเปล่า มันไม่ยึดถือความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นนะก็ไม่ชอบช้ำไม่เกลียดชังมันผู้สนเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินไปว่าโอ้ฉันเป็นคนดีพิเศษกบบกระดือผู้สเกิดขึ้นความโลภความโกรธความโลงเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความโกรธปู่ความรังเร่อสงสัยความกลัวความอิจฉาความกังวลอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีสติปัญญาจริงไปเหลนทุกอย่างชั่วข้าม ถ้าวันใดที่เราภาวนาเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเปความโชคดีความทุกข์จะหายไปเยอะทุกวันนี้เราคิดว่าเราไม่โชควาวแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆมีตัวเราจริงๆเราก็เลยอยากให้ร่างกายนี้อยากให้จิตใจนี้มีความสุขถาวรดีถาวรที่เราอยากแบบไรเดียวสาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไรยเดียวสาใช่มแล้วก็กลัวไมต้อแก่ต้องเจ็บต้ตายต้องกลัว ลกลัวดรักไมไดจ็สบสิ่งที่รักลกลัวเจอสิ่งที่ไม่รักไม่กกลัวทนะ่านใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์นานาชนิดแต่ท้านใจเราเห็นความจริงแะร่างกายมันมีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตนี้มีธรรมดานะสมหวังแล้วก็ผิดหวังมีราบแล้วก็เสริมราบมียศเสริมยศมีสรรเสริญได้ก็มีลินตาได้มีสมได้ก็มีทุกได้ถ้าเราหนักภาวนาไปเราก็จะเห็นความจริงของชีวิต ทุกอย่างา ม, มันชั่วเปล่านะมันหมุนไปเรื่อยๆสขทุกปีชั่วงนะลาบยอดเสะลดเสริญสุขเสิมลาบเชิมยอดเต็มทางทุกปนะีเป็นธรรมดามของโลกถ้าใจเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมาดานะมั น, มนมเปลี่ยนเรื่อยๆหมุนเปียนเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆครานี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจก็ไม่ทุกข์เลยทุกข์น้อยลงไปเยอะเลยความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตท้อร่วใจไหมต้องร่ว ม, นะมหลอกนะมันอยู่ไม่นานหรอกเพราะั้นพวกเราบางคน เจอปัญหาชีวิตหนักๆนะต้องคาถาไปเลยนะเดี๋ยวมันต้องผ่านไปไม่มีหรอกความสุขที่ไม่ผ่านไปเราทําใจได้เลยว่าไม่นานเลยก็ต้องผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเวลาความสุขเกิดขึ้นแนละ้วเราสมบวังหรือเรามีแฟนเราแฟนเราดีมีสามีเราดีหรือคนอื่นต้องทําใจไปเหมือนกันทนะั้งวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปเหมือนกันไม่ผ่านไปตอนเป็นเป็นหรือผ่านไปตอนตาย ต, ตายทันะ้งยังก็ต้องผ่าน ตัวอย่างไม่เป็นคงที่เลยโลกเคลื่อนไหวโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแวเราภาวนาเนี่ยก็ให้เห็นความจริงตรงนี้ว่าทุกสิท่งทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นแค่ของโชคตาเท่านั้นเนองภาวนาแค่สิ่งเนี้วิธีการทำํำยังไงที่เราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราทั้งในกายใ น, ในใจนี่เป็นของโชคตาวิธีการอันนี้เรียกว่าการเจริญ น, น, นิพพานสมาทานความชื่นและน่าตัว คำวิปัสนาธรรมฐานลืมมันไปก่อนก็ได้พูดภาษาไทยสมัยใหม่มันคือการเรียนรู้เองเราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองสิงที่เรียกว่าตัวเราคืออะไรคือกายกับใจนี่ยังทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริของกายของใจได้เราอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าลืมมันก่อนนะขั้นแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจนั้นตรงที่คอยรู้กายกอยรู้ใจนี่แหละเรีว่ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจแต่อย่าใจลอย คนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดนะแต่ลืมตัวเองตลอดเวลาพราะเราลืมออกไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเราจิตใจเราอยู่กับเรื่องตัวสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์วันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราหลงไปเรื่องอื่นนะไปยุ่งกับคนอื่นนะกี่เปอร์เซ็นต์งั้นจริงๆแล้วเรารักตัวเราเองที่สุดนะแต่เราลาเลยไม่สนใจตัวเราเองเราบอกเรารักตัวเองที่สุดแต่ว่าจริงๆไม่สนใจตัวเองทอจริ้งมันตลอดเวลา ร่างกายเรามีอยู่เราก็ลืมทั้งวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะไม่เคยได้่มตื่นเลยเลยก็เดินสูงสี่สูงห้าเต้นนวดชนี่ไปเรื่อยๆนะเพื่งั้นเราอยากปฏิบัติธรรมจากขั้นแรกเลยอย่าลืมน้ลืกตัวไปรู้สึกตัวไหมอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองไปรู้สึกกายก็รู้สึกใจบ่อยๆร่างกายมีอยู่ก็รู้สึกไปเห็นน่างกายไปไหนใจเข้าร่างกายใจออกเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอน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 แสดงความจริงออกมาความจริงของกายของใจเรียว่าไตรลักษณ์ความจริงของกายของใจเป็นไตรลักไม่เชี่ยงเป็นทุกข์นะนั่นก็ไม่ใช่ตัวเราการทําวิปัสสนาตรรมทานนี่ก็คือการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่เห็นกายเห็นใจเฉยๆนะถ้าเห็นกายเห็นใจเฉยๆยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างพวกเราบางคนเป็นหายใจเข้าหายี่ออกนะใจสงบอยู่บนลมหายใจ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 เห็นอย่างนพิเศจเป็นความจริงว่มามันเป็นไทรลักษณ์ใ น, นขั้นแรกเลยนะให้เราไปรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเราลืมตัวเราเองนะเราก็ไม่สามารถเห็นกายเห็ในใจได้ขั้นต่อมาถ้าเราไปรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราอย่าไปจ้องแบบให้นิ่งบางคนไปรู้กายแล้วก็จ้องร่างกายนะเช่นรู้ลมหายใจแล้วจ้องจ้องจ้องแบบเร่เร่นรนะนิ่งไม่มีปัญญาณ ทันยาต้องเห็นใจรักนะเป็นจ้องแล้วมันนิ่งเหมือนไม่แสดงอัติจรรย์คู่ข่าวหน้าตาอะไรให้ดูเมื่อไรอย่าเป่งสรุปง่ายๆนะสิ่งที่เปนศัตรูที่ทําให้เรารูกายรู้ใจต่างความเป็นจริงไม่ได้หรือทำอิปัสนาไม่ได้ที่สองอยากก่างอันหนึ่งเหลอแบ่งลือกายลือใจตัวเองอันที่สองเป่งอยู่ที่กายเป่ง อ, อยู่ที่ใจร่างกายก็นิ่งๆใใจิตใจก็นิ่งๆไม่แสดงใจรักไม่แสดงความเมตเทีย่ย แล้วก็มีความสุขขึ้นมานะเป้งตือแน่ฉงบสุขแน่แน่เห็นแต่สุขไม่เห็ตุกเราแล้วก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบรรทัาได้เนี่ยภาวนาแล้วรู้สึกว่ากูเก่งอานาปิดแน่นอนภาวนาถูกต้อ ง, ง okay. like like เ ห, อ yeah. ห็นว่าภาวนาแล้วไม่มีกูนะไม่ใช่ภาวนาแล้วกูเก่งนั่นคศัตรูของการที่จะเรียนรู้กายรู้ใจมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองื่ศัตรูของนักปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตัวที่หนึ่งรู้กายรู้ใจ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 ง่ายๆในหลักของการดูจิตนะทย่ดูบาอาจารย์อย่าหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมาหรือหลวงพ่อชาท่านสอนลูกสิษยท่านสอนให้ดูจิตนั้นก็คือให้รู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราะด้วยความเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเราขับรถอยู่เราขับรถอยู่นะอยู่ๆมีคนปาดหน้าเราใจเราก็ ค, คิดนะมันต้องคิดนิดนึงก่อนคือเชื่อโอ ถ้าเวลาเราใจลอยอยู่ใช่ไหมมันปาดหน้าเราไม่รู้มไม่โมโหหรอกหรือมันปาดหน้าไปเราเห็นเราสับไม่เห็นไม่คิดต่อนเพาไม่โมโมหต้องเผลอไปคิดนิดนึงก่อ น, น, นแน่ชักแค่ไหนต้องคิดในทางไม่ดีก่อนนะความโกรดที่จเกิดขึ้นนปฏิบัตินะพอความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมันโกถ้ารู้ไวกว่าแบบนั้นจะเห็นเลยว่าตา ม, มองเห็นรูปเห็นคนมีนปัดโน้ปาดหน้าไปแค่มองเห็นเห็นรูปมันปดนัดกด ถ้าตรงนี้สติตามไม่ทนันใจโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรนักปฏิบัติทั้งหลายพอโกรดแล้วเนี่ยอยากหายโกรธไม่ชอบรู้สึกกิเลสเป็นขาไม่ดีให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธให้รู้อย่างนี้นะรู้เป็นลาดับลําดับไปอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็รู้ว่านั้นแตะหรือเราเดินเดินอยู่เราเห็นผู้หญิงสวยผู้หญิงเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยตาเป็นภาพเกิดขึ้น เป็นผู้หญิงสวยเดินมาจิตมีราคะใจเราหลงราาักเขาชอบเขาอยากได้นักปฏิบัติที่ดีก็คือพอใจมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามมีราคะถ้าใจมีราคะแล้วพอพวกเรานักปฏิบัติเหนนนน็นก็ไม่ชอบใช่ไหมราคะไม่ดีกิเลสไม่ดีให้รู้ทานใจที่ไม่ชอบราคะเรีรู้ในปัจจุบันไปเรื่อยเร่อรู้ทากนการทํางานของใจในปัจจุบันไปเรื่อยเรื หากดูไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าทุก อ, อย่างโชคดาวความสุขความทุกขกุศลอกุศลเท่าไรเป็นขาโชคราวหากรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่ามีเพ่งแค่อน่นนี่หลคนมีนเพ่งติดสมถานติดสมถานิ่งคนละใจอยู่อย่างเงี้ยค น, นดาก็เฉยนะคนทรก็เฉยเห็่นอะไรก็เฉยอยูนใใ่น่จะเปทํารรมีนี่ใช้จิตใจธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่แหละ ตามูุจะุปปุ้นร่้งกายใจกระทบอารมณ์เป็นตามธรรมดากระทบไปแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ารู้ไปตามธรรมดาไม่ได้บังคับหนะไม่ได้ห้ามจิตมีราคะก็รู้ว่าวมีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตกโกรธขึ้นมา ว, มว่าโกรธจิตไม่โกรธหายโกรธแล้วรู้ว่าหายโกรธแค่คอยดูโลกปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนีการปฏิบัตบิจริ ง, ร ง, ร ง, รงรรรๆไม่ยากหรอกในห้องนี้มีคนไหนไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยัง ม, ม, ม, ม, ม, มีใครไม่เคยโกัวย้งเลยให้ดนเนี่ยมีไหมมีใครไม่เคยโลภมีไหมมีใครเคยโลภมีมไห ม, มอ๋อตะะนะ้องทดสอบน้นึกวันนกายกมือยไม่เปนมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหรอกนะการปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้ไปอะไรกําลังเกิดขึ้นสดสร้อนร้อนโเฉพาะพวกเราชาวเมืองเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสดสร้อนร้อในใจเราเรียนรู้ไป อย่างเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อคุณมาพักหนึ่งรู้สึกไม่สุดซึ้งแต่พอได้ยกไม้ยกมือข้ารู้สึกว่นจิตเคลื่อนไหวแล้วไปชักไปเฉกขึ้นมาเนี่ยรู้ความตึแงแตนแค่นี้แหละยากเหลือบางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิตยากนะมาลำตึงลำพันไปที่วัดหลองพ่อก็เคยมีเรนี้ไม่มีลนะดูจิตมันยากหลวงพ่อเลี้ยงเด็กเล็กๆขึ้นมาปวดรู้จักแมมรูจ้จัก อยากได้รู้จักไหมอยากกินรู้จักไหมนะเคยเกลียแม่ไหมนะเคยเคยรักแม่ไหมเคยความรู้สึกนานานชนิดนะจะโลกจะปวดจะหลงเคยอิจฉาไห ม, มเด็กมองหน้าน้องนะเคยแต่ถ้าอิจฉาเด็กเรารู้จักเลยเคยกังวลไหมนะเคยกลัวไหมก็เคย น, นะนได้ขาวว่าพรุ่งนี้เขาจะมาฉีดยายที่โรงเรียนวันนี้กังวลอล้วไดเห็นไหมเด็กไม่ชอบหมอนะ เป็หมอเป็นอาชีพที่นั่าสงสารมากเลยนะต้องหมอท่างเปเย็บบาดความจริงไม่มีใครเขา อ, อยากเห็นเราหรอกถ้าเอาเงินปอนแล้ว่อดให้มันเจอเราบ่อยๆที่นี่เนปะ็น <c oughs> ม, มีใครเขาเอาเพืนนะ <c oughs> เห็นไหมว่าจริงๆแล้วการที่เราจะดูจิตดูใจตัวเองนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกนะรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราไปเรื่อยๆ ร, รู้ไปอย่างธรรมชาติธรรมดานะ ไม่เพง่งไม่จองเพ่งนิ่งเหมือนคุณคนนี้ที่มีอินเตลโดมีเครื่องแบบเนี่ยอาวนายอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกมันเพง่งนะมันเพง่งตั้งใจนิ่งอันนี้ไม่มีใจรักให้ดูนะต้องปล่อยให้นเคื่อนไหวแล้วสามดูอย่คุณรน้นชั้นพิเศษเท่านั้นรู้สึกไมใจแอบไปคิดเวลาใจมันหนีไปคิ ด, เ, นน ด, คดเราลืมกายลืม ใ, ใจตัวเอง การปฏิบัติธรก็คือคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปอย่าใจรอยก็แค่อย่าเพ่งแค่นี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ถึงแค่นี้เองรู้จักกปวดทุกคนใช่ไหมรู้จักโลครู้จักหลงไหมใจลอยใครรู้จักใจรอยใครรู้จักฟุงสงซ่านใครรู้จักกดหู่ใครเคยอิดฉาบ้างเนะคยทุกคนเลยอย่าลืมนะว่าผู้หญิงที่อิดฉ้ามากกว่าผู้ชาย ผู้ชายก็ชี้ฉาเหมือนกันแต่ว่าต้องวางสอบไม่บอกกลัวตะวันนะเกรงใจรู้จักเกยงใจนะเหอนไหมเกรงใจกับกลัวก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขัดใจกับโลรธก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจก็ไม่เหมือนกันคับแค้นก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเซ็งก็อีกอย่างหนึ่งเลียนานาความรู้สึกอ่ะนะ ความรู้สึกอะไรกําลังเกิดขึ้นสสๆ ร, ร้อนในใจเราให้คอยรู้รอาไวแล้วเราจะงเกตเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยอยู่ช่วคราวกลัวก็กลัวช่วคราวนะโลรธก็ปกรธช่วคราวดีใจเสียใจสุดทุกทุกอย่างชั่วคราวเราภาวนา เ, นเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของช่วคราวไม่ได้พานาวสุขเราสงบเอาดีแต่พาวนานให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี่ชั่วคราว ดูของจริงลงไปในใจเราดูชีวิตว่าโชคเก่าจริงไหมสุขโชคเก่าไหมทุกชั่วครา่าไหมโลคหลอดเลือดอุดชาฟุ้งซ่านอะไรในโชคเก่าวไห ม, ไห ม, ด, หไหมดูอย่างนี้เรื่อๆนะการที่เราเห็นว่าทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของโชว่วก่าเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตใจมันจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคนที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในธรรมดาแน่ๆคือท่านโสดาบัน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 ความโลภความโกรธความหลงอยู่ช่วงราแล้วก็หายไปจิตใจเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เกลอเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เกลอเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะด้วยแต่เกิดเราวก็ดับทันทีเลยไม่มีอะไรในกายในใจนี้ที่เป็นอมตัดมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นตั่วคาวแล้วก็หายไปสังเกตจิตใจเราอยู่ก็ได้สังเกตแม่ในใจเราเ ด, ดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ตู พอใจมีความสุขขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นใจที่ทุกข์ก็หายไปมีความสุขอยู่ชั่วคราวและใจที่มีความสุขหายไปเกิดใจที่เฉยๆเข้ามาแทนใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวอาจจะสุขขึ้นมาหรืออาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จิตใจยังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เข้ารู้อย่างนี้นะมันหนึ่ปัญญาเปนเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเราพาวนาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่พราณนาเพื่อความสุขความสุขเป็นผลปล่อยได้ มีความสุขเป็นผลปลายได้แต่ถ้าภาวนาเพืจะให้จิตมีความสุขมีความสงบเพื่อให้จิตดีความสุขในโลกนี้ไม่เชี่ยงถ้าเราภาวนาเอาความสุขก็คือเอาของไม่เที่ยงมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอย่างคนที่นั่งสมาธิรู้สึกไหมมีความสุขนะพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสุขแล้วบางคนนั่งเอาความสงบก็ออกจากสมาธิก็ไม่มีความสงบนะบางคนก็อยากเป็นคนดีมันก็ดีบ้างร้ายบ้าง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 คนที่ไม่ถือศีลภาวนาไม้ขึ้นหรอกนะเนี่เป็นบทที่สุดที่เห็นมาเยอะแยแล้วเราตั้งไม่มีศีลภาวนาไปไม่รอดหรับศีลรักษาไว้นะตั้งใจรักษาไว้เรามีศีลแล้วเราก็คอยเจริญสติในชีวิตแต่จําวันให้มากมาต่อไปถ้าคนไหนคิดว่าอยากได้มากผลยิ่งานในชีวิตนี้นะก็เพิ่มลงไปอีกแต่ทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้สักช่วงหนึ่ง ในนั่งสมาธิบ้านเดินโฉมลมบ้างทำในรูปแบบการทำในรูปแบบก็ค่อยๆนับวยเข้าค่ายซ้2ถึงจะเป็นแชั้์โลกก็ต้องซ้อมชกนะเมื่อเราจะเจริญสติในชีวิตประจาวันเราก็ต้องซ้อมให้เกิดสติบ่อยๆทุกวันไว้ตาสวดมนต์ไปนะเช่นอาลังสัมมารู้ทันเห็นร่างกายหน้าปากกระงักกระงักสวดมนต์ไปทำพุโตเพระเพราวาใจเหนื่อยไคิดรู้ว่าใจเหนื่อคิด คอรู้ทันตัวเงรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยๆเวลาเดินจมกรก็เดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจนะไม่ใชเดินให้ใจนิ่งๆเดินให้ใจนิ่งง่ายๆเดินไปเป็นสังหารนั้นเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเห็นร่างกายเดินเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆแล้วพอใจแอบไปคิดว่ารู้ทันนี่ทํำในรูปแบบบ้าใจจะได้มีเรื่องมีแรงสรุปง่ายๆนะถือศีลไว้ก่อนศีล้าก็พอแล้ว มีศิงถ้าวันไหสิงห์ขาดไปก็ตั้งใจรักษาใหม่อย่าไปรุ่มใจ่านแล้ว่านไปนะต่้งใจทำใหม่แล้วก็ทํำในรูปแบบบ้างเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับคนในเมืองอย่างพวกเราก็คือการดูใจตัวเองจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจโลกใจโกรธใจโลใจทุก้งซ่านใจวุ่นูใจเป็นเ่งขึ้นิ่งคุณเนี้ยจิตเพ่งนะให้นเพ่งขึ้นนิ่ง เขาดูทันเห็นใจได้เลิกซะอย่างเป้ น, น, นะถ้าเป้งว่าไม่มีปัญญานะติดสมรรได้เกิดปัญญาเห็นใจรับแค่นี้แหละพอทำไหวไหมตัวง้่อภานาสมัยเป็นครวว่าเหมือนพวกเราหนะตัวงพ่อเมื่ก่นทงานอยู่สถาความมั่นคงแห่งชาติชื่อนักดูอยู่สภานแห่งชาติทำงานหนักมากเลยงานเครียดมากเลยบันบันแล้วต้องวิเคราะหข้อมูลเต็มไปมดเลยต้อยุ่งกับคนมากต้องประชุมมาก มากาหนดติศ ท, ทางว่าเรื่องนี้คนไปแก้ปัญหายัางไงยังไงมีหน้าที่เสนอนายก็เป็นคนตัดสินใจสภาของมันกรหรือคนเสนอแนวทางให้เลือก น, นงานหนักมากเลยเราเป็นข้าราชการเราพอ น, า น, า, นานทั้งที่ยังทางานอยู่นะเหมือนที่พวกเราตอนนี้แหละตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์ในใครเป็นข้าราชการในห้องนี้เช้าวันจันทร์รู้สึกยังไง ตา่แต่เช้าวันสุดรู้สึกั้มเรื่อหรือไม่การภาวนางนน่ายแค่นี้ตื่นมาเช้าวันจันทร์นะใจรู้สึกยังไงใจแข้งแรง้งเนี่ยนะขี้เกียจ ว, วันอังคารก็ขี้เกียจใช่ไหมวันพูดสุดเซ็งรู้สึกไหมันพูดสุดเซ็งวันพฤหัสมีความสุขรู้สึกไมมันสุขกะดิกดาแค่ตื่นขึ้นมาแนะีแค่แค่แค่คิดท่านะันระหว่าวั น, นวันอะไรนะใจยังเปลียนล้วก็แค่มีสติตามดมันไป ใจเราเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวก็ตุ้กเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทั้งวันอย่างนี้เองจะกินข้าวนะเห็นอาหารที่เราชอบใจเราต้องพอใจเจอแต่ของไม่ชอบเลยนี่ลงไปลงอาหารนะมีแต่ของไม่อาไหนเลยอาหารโรงพยาบาลเรื่องขึ้นชื่อเลยนี่ไม่ใครอยากกินหรอกพยาบาลเองหมอเองก็คงไม่อยากกินเลยอย่าที่สิริราชแล้วสุขีก็เคยเป็นสมบพยาบาลได้ชอบกินส้มตำใส่กู้เข็มท่านท่ที่รู้ว่ามีเชื้อโรคอะไร แม่กินอาหารส ะ, ารสะารอาก็ไม่มีความสุขเนี่แค่ตาเรามองเห็นอาหารหรือจมูกเราเล็กกลิ่นอาหารนะใจก็ยังเปลี่ยนเนะีน่ยนั่นเวลาได้กลิ่นบางทีอยากกินใช่ไหมฮะบางทีใหกล่นไม่อยากกินในหะ้ครยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะตาเรามองเห็นความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนเราคอรู้ทันการปฏิบัติทําไม่มีอะไรหรอกโย่คอรู้ใจที่กำลังขึ้นหรือกำลัวน แค่เห็นลูกเราใจเราอยากจะเพิ่มขึ้นรือเพิ่มลงเลยเดี๋ยวเาดีใจเดี๋ยวเขไม่พอใจนะเห็นคนอื่นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวเ็ไม่ชอบใจคอรู้ทานใจที่เราเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงจะได้แค่นี้ไหวหมไม่ได้คิดทำนะต้องทานะต้องสู้เอานะและชีวิตจะได้มีความสุขอานี้จะกาเปความชั่งใจเพื่ออาการสุดแรกที่ท้ก่อนหลพ่อ พิจารณาการแล้วก็นอแต่ทุกเป็นคนที่มีทุกความเนาเยอก็เลยใช้กายพิจรณากามที่งพอแนะนำนะคะบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ากายกับใจไม่ได้ยู่ที่กาก็ใจทุกคนจะน้อยลงเออด้มการก็อยู่เส่วนหนึ่งจิตก็อยู่เส่วนหนึ่งแล้วดุจไหมตายก็อยู่เส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่เส่วนหนึงดูเหรอไยังอ๋อแล้วใครทุก่ะ แม้เวทนามีอยู่ใช่ไหมแต่เวทนาไม่ใช่กายกายไม่ได้ทุกนะเวทนาไม่ใช่จิตก็ใครทุกันความทุกมีอยู่แต่ไม่มีโชคของฝึกจได้แต่บางครั้งก็ยังมีหลงตลอเราเวลาหลงมปนไหลก็ไปหลงเป็นต้นเดียวไะไม่ก็มีเราทุกแล้วบางครั้งก็ยังคุ้มซ่าแล้วก็ตอนนี้จะรู้จักว่ามุกเยอะมากจะเห็นก่อนมากขนาะนี้จิตเป็นยังไงหรือครมรู้สึก ยีนมีพิจิค่ะขบไว้เพห่หลอกแม้อ่เขียนให้ใจเราที่มถูกฝักถูกฝักนะมีโมหาแท่นนิดหน่อยหลอกไหมมันมัวไม่ใส่ร้อยเอ็นตไม่รู้ทานตัวอย่างด้วยใจที่มเองกลับเรากัที่ไม่เคยเห็นจิตโัเก็จะเริ่มเห็นอันนั้นเยอะๆเอ๊ะมันลยะหลาดนะขนสือจันมันทำงานมันได้ทัางันแหลก <ด>มีโอกาขอกอออสของพ่อคุณที่หลวงพ่าชี้นำที่ให้ไอ้ลูมถ้ามของพ่อพระเจ้าไ่ใช่ของหลวง่อการมาสักการะหลวงพ่อเราูกไปแน่ใจค่ะที่หลวงู่จิปาว่าถูกฟ้องไปค่ะทราถามทราบต้งตอบไหมทราบต้องหัดดูบ่อๆนะใจเราเป็นยไปรู้รู้ซื่อ สัเกตไปเรื่อยในตอนนี้เราบัคับอยู่ดูว อ, อกไม่เป็นธรรมชาติตัวอมแข็งอยู่นิดนึงดูออกมดู อ, อไมต้องเล่งใจนะตื่นเต้นดูว่าตื่นเต้นมันไม่ใชแค่ตื่นเช่นเฉยมมีการบังคับตัวองให้ไม่ตื่นเต้นเลยที่บังคับตัวเองเกิดขึ้นในใจจนะแน่นๆรู้สึกไมอดึอดอดั ยังมีความืนาเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ยอมรับความจริงว่าจิตมันตื่นเต้นถ้าเมื่อไหรเราไม่ยอมรับสภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏได้ความทุกข์ก็ไม่มีอย่างเราป่วยถเราป่วยไขย้ถ้าเรายอมรับได้ว่าร่างกายเราป่วยเป็นธรรมดาต้องป่ว ย, ยไม่กลุ้มใจถ้าอยอมรับความจริงที่กําลังปรากฏไม่ได้ก็เกิดทุกข์หรืออย่างบางคนนะ บางคนสามีมีแฟนมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยรอยอมรับความจริงถึง ไ, ได้ทะลคนะแล้วถ้าคิดเมืม่อไหร่จะตัดมาความจริงมันไปช่าง ด, ดีแล้วคนไม่ดีเราไว้ทำไ ม, ไม <c oughs> แล้วถ้าเมืเอม่อไหร่รอยารับความจริงที่จะปรากฏขึ้นได้เราจะถูกร้อยลง ม, มีคนรู้จักคนเดีมวไอทําธุรกิจนะเคลื่อนไหวเช็คเด้งกว่าสิบล้านกินไม่ได้นอนไม่หลับนะชี้อย่างเดียวกูจะฆ่ามึง มาหาหลวพอนะั้นมาโวยวายโวยวา ย, ย, ย, ยอยางฆ่าเขาตอนนี้เสิร์ฟเลยจะค่าเขาไปบอกสเสียงดังเดียวเขาก็ค่าเอก่อนหอกบอกว่าเสียงรู้สึกไหมเช็คเมือนเด้งเสียงไม่อยากให้มันเด้งใช่ไหมบอกใช่มันเด้งแล้วนะอตอนเด้แล้วอยากให้ไม่เด้งก็กลุ้มใจสิก็ยอมรับสิตอนนี้เช็คเด้งแนละ้วเด้งแล้วจะทำยังไงดีให้ความเสียหายน้อย ตั้งหลักได้ได้งันนในชีวิตเวลาเกิดปัญหานะตั้งหลักให้แรกก่อนอย่าปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางถ้าชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ชีวิตคนอื่นนะไม่ใช่ของคุณออกเอาคุณเองมันพักอยู่ดูออกไหมกดเข้าไปรู้สึกไห้หนุนหนะหรือว่าเบิกบานแจ่มใส เปาสบายรู้สึกแน่นเ่นใช่ไแน่นแหละแน่นแน่นนี่ะเปนผลของตาที่เราเปิดโปงกับครับตัวเองกลัวอใช่ใช่ใชอเจ้หลวงพ่อก็กลัวเลยขนาดร้านนะหลพ่อมองดีๆแล้วแค่ขท้าิดเลยคือพ่อขางสภาวะนี้่ะเรกูแล้วเราพยายามบว่า สภาวะของความกลัวหรือพ่อนันจะหายไปต อ, อนนี้เราไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูให้หายนะเราดูไปสิใจเป็นกลัวเราห้ามไม่ได้อยู่ตรงเนี้เห็นไหมเป็นกลัวของมันเองเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นละลึกตาระลึกตาในนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจมนไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ห้ามมันนะแค่รู้ไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดความกลัวเกิ ด, กกดกรู้เฉยเไม่ได้พยายามแก้ไขมัน รู้ทุกอย่า ง, งนะที่ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตใ จ, ใจที่เป็นกลางๆของคุณตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางใช่ไมไม่ชอบไม่ที่กลัวขมอาไว้นะนี่ให้รู้ทันเลยนี่แหละอ่ะวันนี้วนะัน น, นี้รุ่งใจจะตาอีกแล้วร อ, อนานานะก็รัชการหลวงพ่ อ, อค่ะอยากรบกวนให้หลวงพ่ อ, อ, อแ น, นะนำคือตอนาะยอยู่ไม่ใช่ได้แล้วนะ รู้สึกไหมตอนนี้กดข่มไปแล้วรู้สึกไมแล้วเปลี่ยนแค่หนเปล่นเป็นคทไที่คุกอยู่ใช่ไเ่เสืรู้สึกไหมเห็นกิเลสตั้งวันนีเม่ไรเปลี่ยนเห็นได้ทุกอย่างช่วคราวนแล้วอัตตามันเกิดแค่ในข่าวสารนะเดียเกิดแม่ลูกพอรู้ทันมันก็หายไปใก้ๆอยู่ คนเราที่เซลจัดนะเราว่ายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองอย่าง ก, ก็เราทํางานใช้ความคิดเชื่อๆเฉยๆตอนคิดๆไปแล้วเรายึดในความเห็นของเราเองมากคนอื่นเห็นไม่เหมอนเราเราก็ขุ่งใจหรือไม่ก็โมไปเลยเรียกมาเซลจัดอัตาแรงถ้าเรารู้ทันใจมายึดในความคิดความเห็นเรารู้ทันแล้วก็ฝ่าย อ, ออกเองไปฝึกอยูแต่ไม่ได้ติดเพลงไม่ได้ติดอีกแค่นิดเดียวเพราะว่ากลัวหรวงพ่อ ค่ะอีนิดนึงนะคะสงสัยนะคะว่าที่หลงพอบอกว่าถ้าเวลาเราโกรเนี้ยค่ะให้เราดูดูความโกรีนี้ถ้าเราโกรแล้วเราอยากจะไปฆ่าเขาแต่ะแล้วเราก็ไปรู้ว่าอยากแล้มันไม่หายเราจะไปฆ่าขอค่ะไม่ได้สิหลวอบอกไว้นะว่างสี่านจรนาถสี่่าทําไมจะทำพิธาชนาต้องมีสีารู้ไมต้องพิธาชนะจะไม่เก็บกด ความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทางไม่เก็บกดนะไม่เหมือนสมาถให้กรนขึ้นมาพุ่งแผ่เมตตาไปเรื่อยๆไม่อยากฆ่าใคร<ม>แต่คำนิพพิชนาเนี่ยเราไม่บังคับใจแต่เราเราดะต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาวไว้ได้วยศีลศีนนะสัมผัสห น, น้นไม่งั้นไป ม, มีคนรู้จักเปนคนโกขึ้นมานะไปสัง่งวิ่เกี่ยวมาช้าส่งช้าไปส่งต้าอื่นข้ามจิ๋วเอา ม, มาใกล้ๆโดนตกเนี่ยอากานั้น ตบเจ็บส่งไป็เตี๋ยวเฮ้ยตบทำไมตบด้วยจิตว่างดีถ้ามันเรียกวลิวโก๋หัวไมวจิตว่างต้องถึงศีลเจนมาบอกว่าฉันเห็นความโกรธนั่นไม่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่ า, ารไปวันศกิ์งองพ่อหนู ส, ส่งกันบ้านล้างตานสุดท้ายนะตอนเมื่อเดืนอนมิถุนายนก็เลยังไม่ได้โอกาสเล่มาก่อนพ่อพอระหว่างที่ที่กลับมาฝึกเองที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่า บางทีสิทมันมันเหมือนกับพอเหมือนกับพอเจอโอกาสเจอย่าที่ทำอานี้ยค่ะผมจะคนที่ชอบสงสัยเขาก็<ม>จะบอกว่าอยา่าไปสงสัยมันไม่ใช่อย่าสงสัยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยความโามลภความโกรธความโหนงเ น, นี่ยเป็นสภาวะเหมือนเหมือนกันนะเท่าเทียบกันทำไมจะเกิดขึ้นตลอดเมืันเหมือนกัอยู่ในในคํานึกคุยความล็กเลยเหรอเห็นี้ม <ไง S 1> ตอนนี้ไม่ได้สงสัย เพราะเพราะก็รับรู้แต่เราไม่เห็นไหมความสงสัยไมได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นคราวๆนะฮะเราก็แค่เห็นว่ามันอยู่ช่วงตาวแล้วก็เหมือนพอจิตเราหนีไปคิดอย่างเงี้ยนะพอสงสัยเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราอยากได้คําตอบแล้วก็นี่พอเราเรียนเราเรียนกรรมฐานเนี่ยนะไม่่เพื่อฉลาดรับรู้ทุกคําตอบเราเรียนกรรมฐานเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป ต้องการแค่นี้เองต้องแค่โซดาบาันรู้แค่นี้เองเพราะงั้นความสงสัยเกิดขึ้นควาสมสงสัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาไปเห็ไม่มีเหตุคือเราคิดก็มีเหตุความสงสัยก็เกิดพอเราไม่คิดเรื่องนี้มันก็ไม่สงสัยใช่หรอเปล่าเมื่อเห็นมันดับตัวมันก็ดับใจมันทํางานไปเองอย่างสมมติว่าขณะที่ไม่เกิดได้มีโอกาสแก้ชิ้นก็ใกล้ขนาดนี้อาการใจที่มันตื่นเต้นก็นเกิดขึ้นแล้วจนตอนนี้มันก็ยังไม่หายไป เราคืแค่เห็นมันทํางานของมันได้เ อ, อเราางรู้สึกไหมเรามังคับไม่ใช่ก็คือรู้แค่ที่มันตื่นเตที่มันไม่ชอบใช่แล้วรู้สองระดับนะสองสเต็ปอันที่หนึ่งรู้สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือความเกิดเต้นสเต็ปที่สองก็รู้ความตื่นเต้นรู้สภาวะแล้วจิตยินดีหรือจิตยินร้ายได้รู้ทันอันนี้จิตยินร้ายไม่ชอบเห็นั้มไม่ชอบได้รู้ทันที่ไม่ชอบ ตร่ที่รู้ว่าเมื่อไหรตม่ชอบตรงนี้ค่ะหนูขอยอมรับหนูพว่ายังไม่เข้าใจอ่ะคเพราะตั้งแต่ตรงกันนั้นตั้งแต่เดินมิถุายก็ยังไึ่คุยคือก็เราจับตรงที่ความสงสัยตรงที่ไม่ชอบต้องรู้ตรงส่วนของคุณตอนนี้มันทนความสงสัยปิดบังไว้ใช่ความสงสัยเนี่ยเป็นโมหะอย่างหนึ่งนะถ้าตัดในที่จิตเองถูกโมหะครอบงำอยู่เนี่ยสติปัญญาจะยังไม่เกิดใช่ค่ะยังเดี๋ยวไปเชื่อม ตอนไปนนี้ความสงสัยเกิดขึ้นคุณก็ค่อยๆดูไปดูซิความสงสัยอยู่ช่วคราวจริงหรือไม่จริงดูอย่างนี้นะแล้วความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นคุณก็ดูเปอย่างนี้ว่า ม, มันอยู่ช่วคราวจริงหรือไม่จริงดูแค่นี้พอถึงวันหนึ่งจิตจึงรียบรงรับความจริงมันต้องอย่างเกิดแล้วดับตรงสิ้นเอ๊ะอย่างนี้หนูรู้สึกตัวถูกต้องบ้างหรือยังคางทีรู้สึกเราไม่เคร่งไม่เคร่ไว้ไม่เคร่งไวเราม่เคร่ก็หลบไปคิด ใช่รารู้สึกหมครับเรารู้สึกหมตอนเี่ยมตั า, างครวัวไม่ใช่เล่าเฉยเฉยแต่เกือปวาับรู้สึ ก, ก, ออกตั้งครัวลงมายังไม่ทันตั้งครัวนไม่เป็นไรนะคล้ยๆเจอพ่อเจอแม่ก็อ่อหน่อยๆอย่างนี้ให้เห็นให้ดูให้เห็นใจอะเงี้ยแล้วเรารู้ท่าอ่างเงี้ยนะรู้ไปสดๆร้อนอย่างนี้แหละแล้วเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่างูีช่วคราวทนๆเลานะ คนช่างสงสัยเนี่ยคือคนน่าสงสารที่ว้านของพ่อก็มีแล้วมีตามองเลยช่างสงสัยสงสัยทุกเรื่องเลยสงสัยมันก็แปลว่าจิตเราแบนกำลงอยู่เฉยๆนไม่รู้สึกอะไรเลยยางเงี้ยมันก็ไม่ถูกใ่ไม่ถูใช่แล้วจิตสงสัยขึ้นมาพอดีแล้วเราก็ปฏิบัติให้ตูกก็คือเห็นว่าจิตเราสงสัยก็เห็นว่าความสงสัยอยู่ช่วครารู้สึกไหมมีความสงสัยอะไรที่ไม่อยู่ช่วคราไม่มีหรอก นแต่ว่าสงสัยขึ้นมาแกะเดแล้วเราก็หายแต่คิดใหม่สงสัยใหม่ทุกอย่างชั่วคราวตั้งหลักให้ดีนะหลาภาวนาเพื่อให้เห็นทุกอย่างช่วคราวจำตรงนี้นะเราเราใช้วิธีการภาในใจนี่เลยคสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็คือไม่ต้องพาันเรา่นาะมือไหลหน้าตปลับักายจังเากแนที่ส่งกัรบ้านไปแล้วเราโตขึ้นหมนเลย ขอา ก, การนำสการะการขันทางสมรูสยเกี่ยวมิจฉุกจิตการวางจิตของเราในเกี่ยวเรื่องสมรฐานนความความของเราให้ถึงอย่างแล้วการวางจิตในกับมืที่ผูไปจากมือที่ผู้ไปเนี่ยควรจอย่างไรครับเราไม่หวนะถ้ามาจิตเนี่ยเป็นเรื่องของสมรฐนหลัก ข, ของการทาสมรฐานพ่อเอก่อเป็นรู้สิษท่านพอหีนะ เดี๋ยท่านขรีได้แต่ปีศูนย์สองแล้วก็ฝึกสมรราธิอยู่จนอายุยี่สรริเรียนสมาธิเล่นอย่ยิบสองปีเคล็ดลับของการทรราําสมาธินี่คือการรู้อารมณ์อย่างสบายๆเพราะเราไม่ได้วางจิตแบบรุนแรงนะวางปึ๊กลงไปนี่ไม่มีมันสนุกต้องสบายหลักของสมาธานนี่ก็คือทายังไงจิตจะสวงบต้องตามตรงนี้ จิตมันเลื่อนปัติเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาคุณดูออกไหมหนีไคิดตลอดเวลาจิตมันเที่ยวหนีไปคิดพราะอะไรเพราะมันเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่เพลิบเคลิ้มอใจเราก็ต้องหลอกล่อมันหาอารมที่มันสบายใจมาล่อมันอย่างองเราเองชอบหายใจอรรนาปนสติเราหายใจแล้วมีความสุขเรจิตใจเราหายใจแล้วมีความสุขนะจิตชอบมาอยู่บนลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นโดยเราไม่ได้บังคับ เคล็ดลัของการทําสมถะนะคือวางแจและสบายไม่ใช่ถามอยู่ตรงไหนตรงไหนเราะอั น, นั้นเนี่ยเป็นเรื่องติดย่อยเป็นอุบายเฉพาะตัวแต่หลักของมันจริงๆก็คือต้องอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขคล้ายๆอะไรคล้ายๆเด็กจิตให้เหมือนเด็กเด็กวิ่งไปสนนอกบ้านตะลอดเวลาเราอยากให้เด็กเข้าบ้านโดยที่ไม่ต้องเาไม้ไปไล่ฟาดเหมือนเราต้องเตรียมใมันมากินขน้อนอกมากินได้กินมาก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 หมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นไม่ต้องเอามมาตั้งไว้ทำวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับใช่ไหมไม่ได้เอามาตั้งกับหลับให้แน่นมากน่ทสาใจเราคุยทำสมาธิกันเยอะล้ทงทีอม่สการพันอืมอี้สุดเปล่ยนแล้วก็ไปกดๆมันไว้เป็นไงตั้งแต่เจอในราก่อนจนคานี้เป็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยู่ มันก็เปลี่ยนตลอดโอ้คนีเก็บมันเปลี่ยนตลอดีนตานอย่างนี้อไรก็ถูกเนาะถูกต้องเปลี่ยนตลอดแล้วถ้าใครรู้ทันสติเราก็เป็นร่างมันก็มีจริญแล้วมันก็มีจริญแล้วเสื่อมถูกต้องนเวลาเราภาวนาไม่มีเจริญอย่างเดียวเจริญแล้วเ่าเสื่อมครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ทุกคนรู้จักอาจารย์สิงทองไหม รช่สิ่งทองต่อมเลยจิตมีธรรมชาติเจริญเราเสือ่อมแล้วเจริญแล้วเราลงยินดีเนี่ยโง่เสื่อมแล้วหลงยินร้ายโง่อีกนะเขาแสดงความเจริญแล้วเสื่อมให้เราดูนล้ยก็แสดงไตรลัก เ, เห็นไหบังคับไม่ได้เรียนไปเพื่อให้ใคบังคับไม่ได้กลับไปค่ะการนักสการ์ดนอกนะคะหลไหม่ไม่กลค่ะ ร, รู้มาเสรจรู้เพียบบางบงปะกงค่ะ ได้ยังไงก็อาจจะต้องติดต่อหลงพ่อไปให้ทำมั่กับเกิดที่โรงพยาบาล ม, มาตบคงด้วยนะคะได้สอาชิวไว้เออปกติปีกเท่าไหร่5 6าหกห้าปกตินะคะหนูก็จะสวดมนต์ทำบัชชาวัติเย็นเออแล้วก็นั่งภาวนาไม่ได้หวังว่าจะให้มันรู้อะไรแต่หวังมากให้ตัวเองมีสติ นางหรือกำลังชีวิตอยู่นะคะพราปกติตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างโกรง่ายแต่ก็หายง่ายนะคะไม่ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันจะจะช่วยอะไรก็ดีนะคอยรับรู้ตัวเองไปเรืๆเอาคืนแทนสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆไหมคนที่โมโหเนี่ยมีบุญนะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ดูไม่ายเห็นไหมเจออะไรนิดหนึงก็ฉุนนิดหนึ่งก็พิจมุกแล้วรก็มีก็สั่นใจนล้ะไรอน้เราคอรู้ไป แขนใจฉุนๆขี่น ม, มาแล้วก็หายรูาง ไ, ง <S <S ไม่บัเอินลักษณะงานหรือแหนงานเหตุเฉยๆนะนลักษณะงานมันต้องทำาพอเพราต้องช่วยชีวิตค<ม>ูใช้มันก็เลยทำให้อารมณ์ตัวเองก็บางทีก็จะไหวไปด้วยนะ<ม>คก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นั่งภาวนาแต่เพราะเขาเวลานั่งเวลานั่งก็จะ จะหลับดีเล่นคะ่ะสงบเลยค่ะนี่งที่หลวงพอชาบอกว่าคนเมือง น, นะต้องดยู่จิตเอาเดินไปทาสมาธินั่งหลับสิเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งี้เหนื่อยส า, สารสัตว์ันะลปกว่าจะถึงบ้านก็ลกปีผักแล้วนะเู็นยข้าวแฝดข้าวแฝดนั่งก็หลับเทนั้นนะะ่ะนั้นพยายามฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวัไนได้มากอย่างเราตั้งอยู่นั่นนะเป็นข้าวหางก็้องแนงใหม่ละวู้งใจว่ากุ้ใจ รักษาเปนธรรมชาตจะตายแล้วกังวลด้วยว่ากังว ล, วลดูอยา่าง น, นี้เลยดูเ้าไปเลยพอเคยปลุกได้ก็จะกังวลอีกนะฮ ะ, ะแล้วก็จะสงสารยากเขาคือให้รู้ทันใจของเราเป็นความเมตตาการุณานเนี้่เป็นกุศลนะแต่ถ้าเมตตาแล้วก็ไม่มีสติปัญญ า, า, า, า, ารู้ทันจะลายติดลานค่ะจะเป็นความปุกพันความกรุณาอย่างเองเขาบาดเจ็บมาเนี้ยกรุณาอยากให้เขาหายสงสารเขาว่า ถ้าเราไม่มีสตินนะัญญาจะกลายเป็นโตรสา์เสียสหกเสียใจแล้วก็ก็พยายามลักษาสิห้าแต่มันจะถิดสินข้อสี่อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่ารักษายากค่ะเพราะว่าบางทีพูดแล้วเดี๋ยวจะทำให้เขาไม่สบายใจเราก็ไม่อยากแล้วก็กลายเป็นว่ามันเราผิดสิ่ข้อสี่อยู่เรื่ๆนะคะแล้วมีศิลปะ 8, พูดนะข <c oughs> อบคุณ น, นะพยายามฝึกสติในชีวิตที่จะมันนะเราเครียดน ปวกง่ายเครียดใช่ไม่ใชขีช้มโอะไรหรอกแต่ตงเียเอยเวลาใจมันเครียดขึ้นมารู้ทันแต่ไม่ห้ามอย่าไปข่มใ้ย่งอย่านนไปแย่งไปบไปกดมันไม่กดมันทาตัว เ, เ, หเหมือนคนดูเห็ น, นเหมือนเห็นคนอื่นกลังกาลังเครียดอยู่ดูเหมือนดูคนอื่นกัเ่ยในส่วนแล้วไปรู้ทันใจเ อ, องบ่อยๆว้เขานบที่มัดนห้ทําไมไม่ส่วนบอลที่นี้ล่ะ อยู่ตรงนี้ก็ส่วนได้เนี่ย่มสมติตอนนี้เราว่างๆเราก็พุทโธทำโมสโคแค่นี้ก็ได้นะพทโธทำโมสอนโคไปพุทโธพุโธใจแอบเป็นคิดแล้วดทันแล้วมาพุทโธโธพุทโธใจคิดอีกดูทันนะอย่างนี้อ๋อ่นอนยิ่งส่วนยาวเท่าไหร่ก็ย่งหมีคิดบ่อยเท่านั้นเพรมันยาวอย่างถ้าส่วนชินบัชอนนะเราไปคิดเป็นร้อยครั้ง การพ่อครับวันนี้ก็มาสมการบ้านกรันแล้วเรียครับออช่วที่ผ่านมาเขเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าจิตมืนอนจะบเขาลคิดไปครับสักสิบนาทีแล้วมันก็สกาม า, ารถรู้สั่งอะไางี้อากาอย่างนนะครับแล้นั้นจิตเขาพูดเองว่าจิตเขาพัฒนาเอาเองไม่ใช่เรากัฒนาใช่นะครับเรามีหน้าที่จิตนันเหมือนลกเรานะ เราไปฉลาดแกนลูปไม่ได้ไปสอบแทนรูปไม่ได้แต่เราให้การศึกษาก็ได้แล้วเขาจะดีหรือเขาจะเลวอยู่ที่ตัวเรา<ม>เราแค่ให้สิ่งนั้นเราให้การศึกษาจริงนี่ก็เหมือนกันเราพาดึงตัวกายมาดังตัวใจไปได้ให้การเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในช่วงเราโดยเฉพาะฉลาดเมืเ่อไหร่เรื่องของเขาจะสอบขึ้นชั้นได้หรือไม่ได้เรื่องของมันไม่เชืเ่ อ, อเราแราวฉะนั้นก็ดูจิตต่อครับแล้ว ก, ก็เปิดทาง ข้างหวังครับก็เลยเป๋เลยอย่างนี้นค่อีกทีหนึ่งครับรแลกวพอรู้ทันก็อันนี้ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเร่งจิตสปิดเร่งตู้ น, นะครับผมยิ่ขนาดนีถนนนน้ถึงฐานแลวช่วงนี้เมื่อกี้เามฝงหลวงพ่อมีถึงการเรายังยิ่งไม่ถึงครับการที่แม่ถึงก็ต้งใช้สายสายผ่านครัไม่ทราบคุณผมมีเรืมองไม่เห็นนะครับ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 ตั้งมั่นในความรู้สึกผมสงสยุ่งช้างหลวงพ่อจริจริงทันยิ่เหมือนตูพูดรู้ใช่ตูรู้นใช่แต่เดี๋ยวข้าพเจ้าตูพูดรู้นะถ้าข้าพเจ้าพูรู้ผิดนะหลวงพ่อเป็นเสนาเดี๋ยวข้าพเจ้าพู้รู้วาผิดเลยการะลิมขอขอหมดรจตจำนงนะที่ผมตามรู้ตามดูจิตใจเนี่ยถูกยังครับหุณต้องดูให้สบายนะ อ, อย่าให้เคียดอย่าใเป็นกังวะที่ตามดูอยู่ก็เริ่มใช้ได้แนละ้วดูพยอย่างมีความสุขน ะ, ะเราไปดูใจฟูสร้างขึ้นมาเราไปดูดูอักแม้แช่ไหมชอบฟูสร้างนใจฟูขึ้นมาเรารู้ใจฟูขึ้นมาเรารู้บ่อยๆไม่ห้ามไม่คกดไม่ข่มนะอะแล้วต้องทําในรูปแบบอะไรตอนเนี้ยังตอนนี้ใจยังเอาบางเกินไปเหมือนแก้วบางๆ อย่าไปเครียเนีย่ยไปบาอค่ำเหมือนมากอย่าไเครียดเนเครียดง่ต่อไ ป, ปการพราัฒนาะอาจารย์วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะได้มีโอกาสมานั่งฟังทำะอาจา์คือเมื่อส3งสาเดือนที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้มีเพื่อนแล้วก็หลานนะคะเทีดีมาให้มาให้ฟังก็เลยได้ฟังของะอาจานแผ่นเดียวนั้นนะคะฟังแล้วฟังฟังแล้วฟั ง, แ ล, ฟง แ, ลแล้วก็มาหาย ที่จะที่จะมาเรียนรู้ดูดูจิตนะคะก็ได้ก็ได้มานั่งดูได้มาเรียนเรียก็กได้ยกใช้ิธีการว่าขณะคือจะเห็นจะจะรู้ว่ารูป ก, กับนามเนี่ยมันแยกออกจากกัลนลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันมันคือรู้พยายาเห็นว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยอมันมันจะมีลักษณะของคือะจะเห็นว่าบางครั้งยังมีโทรศัพท์ โสพส์เกิดขึ้นบางครั้งก็หลงก็คือเราก็ไปร่วมมาหักกำลังด้วยแต่พอพอเรารู้ว่าออก็ออก็พยากาที่จะก็คือให้รู้ว่าอ๋ อ, อ ก, ก็แค่นี้เองแต่จะอ่าพย์ธะทีนี้ก็จะไปใช้ในลักษณะว่าในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งในการแล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในการปฏิบัติกาเรียนรู้ธุกิจเนี่ยคือจดตัวเองจะทำเมื่อเมื่อมีโอกาส หรือมีจังหวะเมื่อนั่งทางานมีเวลาว่างก็จะจะอยู่กับกยจ่ายมไม่ไม่ไม่ลืมกายลืมใจตัวเองไม่ไม่ทราบว่ากนานะนะาให้เร<ฮ>่งสบายสบายนะค่ะ<ฮ>อย่าไปให้เรื่งเครียดค่ะคอยรู้สึกคอยอ<ฮ>รู้วามรู้สึกเอาเอง่อยรางเงี้ยคอย่อมเนเ่งเครียด่หมรู้สึกไหคือคือเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกอ่าเหมือนกับว่าเราเค่งพอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราแค่รู้สึกว่าสงบสบาย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 จิตกับกายเรอยู่ด้วยกันเราะฉะนั้นสติมันสติเข้าใจอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะเราคอยใช้กเกจอย่างให้กันบ้านเพื่อนนะัเวลาที่จิตเกิดคิดเนี่ยเกจไม่เวลาเราคิดนะเราจะจนไปอยู่ในโลกของความคิดเลยเราอินไปในโลกของความคิดตัวนี้ตัวออกไหมอย่างเวลาเราพูดพูดพูดแ้วเราจะไปเลยใช่ค่ะตัวเนี้ใครดูตัวนี้บ่อยๆนะต่อไปแจังจะถอนตัวออกมาเราเป็นผู้รู้ผู้ดู ตอนนี้ใจมันยังเขาเ้าไปคลุกอยู่อ า, ารมณ์อยู่ในฝึกตัวนี้นะ ใ, นใ จ, ใจมันไหลที่คิดรู้ทางแจมัไหลที่คิดมันอิ่มในการคิดรู้สึกได้ได้เรายังคิดอะไรนะมันเา จ, จริงเราจับนะนี่มเป็นจุดต่อนของเรานะให้คอมรู้ทานจิตที่มันเป็นอิ่มแก่โลกของความคิดนะมันะตนต่อไปแค่นี้ก็ยากแล้วนะทำนะได้นานแต่สัศกาลพ่อค่ะ คือเวลาที่เรามองร่างกายเป็นธาตสิ่งธาตที่ท น, น้ำลงไฟเราสึกว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ว่าเจะร้อนแค่ยังไงเห็นคนเป็นไข้เราไม่สามารถยลดไข้ได้เราบังคับตัวเองไม่ได้แล้วเรามองเห็นว่ามันไม่ตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปทีเป็นธรรมะทนีนี้โดยตัวเองเนี้ยเป็นคนมองจิตไม่ได้ะไอะค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาสอนว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองเขาพูดจริงจริงหัวกระาษดูจิตมันเป็นคนช่างคิดนะ เแต่ว่าของเกาที่ทำเน่นเป็นเน้นอยู่ที่กายควารู้สึกเนีมันแทกไปอัจบจิที่การู้สึกไมเป็นกลุมอยู่รอบกายจาิตมันจะอยู่นิ่งๆจนเราไม่เห็นเนี่ยก้องให้ท่กลางดึงดการปฏิบัติกัดแล้วออกมากระทบอามตามธรรมชาติไปๆนะแล้วก็ดูใจที่เตือนขึ้นยาแต่ตอนนี้ใจติชินซั้ไห แต่ ja, ค hi, iki, pues, ิดแล้วอยากพูดรู้สึกไหมเรียกเรียกเป็นการดูจิตจิตอยากจะพูด้วรู้ว่าอยากเห็นไหมอยากพูดเห็นไหมมันมีแรงตึงขึ้นไหมที่นรกแล้วที่ทําอยู่นั่นสมาธิในฌานลมเราต้องกินไหคะก็ทํำแต่มีไปหล่นมากแต่ว่าการมาดูภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นเลยอย่างไม่เค่ความอยากพูดทช่มันก็โลภ ลมพายเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีหลครับใจมีไปคิดในขณะที่ใจมีไคิดคือบุตท่านจากทุกสั้นก็เป็นโหหานอย่างตอนนี้ใจมีโหหานแล้วฟูไปคิดแลวหลอกไ